พวกมนุษย์ที่มาบูชาเนี่ยเรียกว่ากษัตริย์ร้อ็หัวเมืองแนละต้องมาบูชามาบวงสรวงพิธีบวงสรวงที่ใหญ่มากสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าปิยัติศีดำเรียว่าจำเราจากบรรเทามิจฉาทิฐิของสุทัศนเทวราชนั้นเสียสุทัศนเทวราชพระองค์นี้เป็นยักษ์เนี่ยนะเป็นกลุ่มยักษ์ครั้นเมื่อเท้าสุทัศนเทวราชนั้นเสด็จไปยังยักษ์สมาคมหรือว่าสมาคมยักษ์เรียกว่าที่ประชุมยักษ์ มีใครเป็นบริวรมหนาก็ บ, บอกท้าวเวสวรร์เป็นหัวหน้าใหญ่นะผู้เป็นราชาหัตถ์เขาก็เป็นกลุ่มพวกเป็นใหญ่ในในบรรดา น, นั้นน่ะนะแสดงว่าเป็นคนโปรดของท้าวเวสวรรค์เลยแหละเมื่อท้าวสุทัศน์เทวราชนั้นไปยังสมาคมยักษ์พระพุทธเจ้าก็เข้าไปยังที่อยู่หรือว่าพบอานาพ ร, ราชสวังของเ้าเถอดพระองค์ก็ขึ้ื่อนนวนลแหละไปประทับนั่งบนบรราลังเขาเลยแหละ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 เมื่อพระองค์ไปอยู่ที่ที่อยู่ของเท้าสุทัศน์เทวราชเทวดาที่เป็นบริวารรับใช้ของเท้าเธอก็บูชาพระทศพลด้วยดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไลเป็นต้นเสร็จแล้วก็พากันมายืนเม้โลบริวารก็คือพวกนางฟ้าเทวดาที่มาคอยบำรุงอะนะมาบูชาพทธเจ้ากันหมดเลยฝ่ายเท้าสุทัศน์เทวราชหลังจากกลับมาจากยักษ์สมาคมเห็นพระฉัพพานรังสีแล่นออกไปยัง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 ก็เห็นพระทศพลมีพราริกายถูกแสงรังสีมากมายเล่นท่วมไปแต่ว่าผิวพระพักของพระองค์ก็มีสีงดงามมีชวิวันผิวพรรณที่สดใสรุ่งโรจน์อยู่สุทัศนะเทวราชก็คิดว่าสมณะผู้นี้ทนไฟไม่ได้โอ้หไฟไหม้ยังทนได้เก่ง่ังเลยเอาเถอะจำลุกรานสมณะผู้นี้ด้วยกระแสน้ำหลากแล้วค่าเสีย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 แบ่งสมบัติของลูกเราแน่นอนเอาเหวางแผนฆ่าก็วางแผนฆ่าตั้งแต่วันหนึ่งตั้งแต่คลอดมาไม่กี่วันก็ถูกวางแผนฆ่ า, า, ายิ่งทำยังไงก็ไม่ตายซักทีเลยนะกลับเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยเครียดมากจนโรคกระเพาะกำเริบอาเจียนเป็นเลือดเลยแหละเนี่ยนะจนสุขภาพไม่ดีแล้วในะที่สุดก็เรียกว่าไข้ใจตายอย่างั้น นี่ก็เหมือนการพอเห็นพระพุทธเจ้าก็เครียดเลยนะทุกทำยิ่งประทุษร้ายไม่ได้ทำลายก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เลยคิดต่อไปอีกว่าเอาเถอะเราจะฆ่าพระสมณะนั้นเสียเถิดแล้วก็บรรดานฝนอาวุธก้าชนิดให้ตกลงมาด้วยความโกรธ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 ก็เลยดูว่าสมณะเป็นหรือตายเนะ mm hmm. เห็นพระพุทธเจ้าเอาประทับนั่งอยู่เหนืออาสนะเหมือนเดิมเอ๊ะไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยว่างอะไรออกไปล่ะ mm hmm. ก็เลยคิดว่าโอ้สมณะนี้มีอนุภาพมากเราไม่สามารถจะฉุดคร่าสมณะผู้นี้ให้ออกจากที่นี้ไปได้เ mm hmm. นี่ยนะเราเนี่ยทำอะไรมาเยอะแยะเลยแต่ถ้าใครรู้เรื่องของเราเนี่ยเราก็จะอับประยต หาน้อยไม่เสียหายมากเลยเนะี่ยทำร้ายทำร้ายอะไรท่านไม่ได้เลยเนะี่ยถ้าใครเห็นว่าเราประทุสล้ายผู้ที่ทําอะไรไม่ได้เนี่ยนะเสียชื่อเสียเสียงหมดคนเลิกนับถือเราหมดแนะน่เหมือนนคนคงจะดูหมิ่นเหยียดย้มเรามากเลยนะอับปะยะแปล ว, ว่าไรายศหมดพวกไร้บริวารหมดตําแหน่งไร้อํานาจแล้วละเอาเถอะปล่อยให้ท่านไปตามเรื่องตำราวของท่านปราบเท่าที่ใครยังไม่รู้ว่าเราแพ้เหมือนกนที่รนะัเนี่ยกลัวมากหรือกลัวเสียเชิงมากเลยนะ รักษาท่าทีว่าเป็นผู้ชนะอยู่เสมอทั้งคือแพ้จนไม่รู้จะแพ้ยังไงแล้วลําดับนั้นพระทศพลทราบความคิดทางใจของเท้าสุทัศนะเทวราชพระองค์ก็ยิ่งอธิฐานให้เทวดาและมนุษย์เห็นหมดเลย อ, นนะอธิฐานให้เทวดาและมนุษย์เห็นทั้งหมดว่าเห็นว่าเท้าเธอในวันนั้นนั่นเองวันนั้นเป็นวันที่พระราชาหน1่งรพระองค์ทั่วชมพูทวีปหรือเจ้าเมืองใหญ่ๆเนี่ยพากันมาประชมเพื่อถวายเครื่องสังเวยแด่เท้าวสุทัศนะเทวราช พระราชาของพวกมนุษย์เหล่านั้นก็เห็นเท้าสุทัศนเทวราชประทับนั่งจักพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแทจริงอจับจะให้ออกไปข้างนอกนึกว่าเลื่อมใสใชก็เลยเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าว่าโ อ, โอ้เทเทวราชของพวกเราเนี่ยนะรับใช้กระวบบำเรอเท้าดูแลพระพุทธเจ้าปิยทัศนีโอพระจอมมุนีธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่าอัศจรรย์ นะพระพุทธคุณทั้งหลายเนี่ยวิเศษจริงๆเสร็จรแล้วก็เทวมนุษย์พระราชาเหล่านั้นก็พากันนบน้อมยืนประคองอัญเชิญไหว้เหนือเสียนกล้าวหมดทุกคนณนะสันนิบาตนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทัศน์สีทำเท้าสุทัศนเทวราชให้เป็นหัวหน้าปรองก็แสดงทำโปรดมันเทวดาและมนุษย์ประมาณ9ก้า0มื่นโกดก็บรรลุพระอระหันต์อันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่ใหญ่มากครั้งที่สอง พระพุทธเจ้าพระนามว่าปิยทัศนีเนี่ยมีพระคู่เวนอยู่รูปหนึ่งนะผู้ที่เป็นคู่เวนผูกพยาบาทกับพระโพธิสัตว์จนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเป็นคู่เวนเนี่ยนะเป็นคู่เวนตามมหาเรื่องอนั่นแหละศัตรูของพระพุทธเจ้าในกุมุท่านครซึ่งมีขนาดเก้ายอดเชื่อว่าพระโสนเถระก็เหมือนพระเทวทัตเถระนี่แหละ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 ถึงอย่างไรก็ไม่สามารถจะปลงพระชนได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไม่ปรินิพานด้วยการปลงพระชนจากบุคคลอื่นทีนี้พระโสนเถระเนี่ยทำยังไงก็ไม่สามารถจะฆ่าพระพุทธเจ้าได้ก็เลยเรียกควานช้างชื่อว่าโทนนมุขะให้ประเล้าปะาลมเอเเรียกควานพญาช้างชื่อว่าโท น, นมุขะมาประเล้าปรลมนะเรียกเรียกคนดูแลช้างอาจารย์ช้างเนี่ยบอกว่า เมื่อใดพระส ม, มณปิยภัทรสีผู้นี้เข้าไปบินทบาทอย่างพระนครนี้เมื่อนั้นท่านจงปล่อยพญยาช้างชื่อว่าโทนมุกให้ฆ่าพระส ม, มณปิยภัทะสีซะฝ่ายในความช้างพอได้ฟังคำสั่งก็เลยคิดว่าพระโสนเถระคนนี้เป็นคนที่คุ้นเคยกับพระราชามากเรียกว่าราชวลบเนี่ยนะราชวลบแปลว่าคนสนิทพระราชา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 เนื้อกะพองที่เกิดดีแล้วมีลำอยู่อ่าเรียกว่ามีลำงวงเนี่ยนะยาวเหมือนกับสะเหมือนเสมือนธนูมีหูอ่อนกว้างใหญ่แล้วก็มีตาเหลืองเหมือนน้ำผึ้งอ่ที่เรียกว่าที่นั่งบนตัวเนี่ยดีตะพภกหนาทึบกลมกลึงระหว่างเข่าก็เก็บของลับเอาไว้ได้งาก็งามเหมือนงอนไถขนหางก็สวยโคนหางก็น่า ย, ยำเกรงเป็นช้างที่สมบูรณ์ด้วยลักษณะ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 ผู้ที่สามารถนําความตายนะที่เป็นเสมือนเรือนร่างทำให้นะฝ่ายนี่ก็ขณะที่พญาช้างตัวนี้กำลังเมามันอยู่นั่นแหละกำลังเมามันครั้งที่เจ็ดเลยแหละฝ่ายความช้างก็เอาเล่าว่างันเถอะวิธีปรุงอาหารชั้นพิเศษเอาข้าวคลุกกับกํายานยายดตาลมควันเป็นต้นเนี่ยนะ คือให้มันเมามานันยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเนี่ยนะส่งเสริมความเมามันอ่ะคล้ายๆกับนายควานช้างอะไรมอมเหล้ามอมเหล้าช้างนาลาคีริงอะนะนาลาคีริงกชวรังอธิมาตภูตังทาวัติจกักกามสเีวาเนี่ยคล้ายๆมันเป็นช้างที่น่ากลัวมากๆเลยแล้วก็ส่งส่งช้างตัวนี้ไปเพื่อปลงพระชนของพระมุนีผู้ประเสริฐผู้ป้องกันชนที่เป็นอริได้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 มีตาที่คลุมด้วยตาขายแห่งความตายก็เรียกว่ารังสีแห่งตาเนี่ยไหมพร้อมที่จะฆ่าไดทุกคนหักทลายเกวียนบานประตูประตูเรือนยอดเสาระเนียเป็นต้นอันฝูงกาสุนัขและแร้งเป็นต้นติดตามกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งจนก า, าต้องบินตามอ่ะก็เรียกว่าตัดอวัยวะเนี่ยนะหมายความว่าเชือดเฉือนเข็นฆ่าควายคนมา้าและช้างพลายเป็นต้นกินเหมือนกับยักษ์กินคนก็เรียกว่าเก็บมากินด้วยนะ เพราะขณะนั้นกำลังเมามันก็เรียกว่าช้างกินสัตว์ได้อะช้างตัว น, นี้พอเห็นพระทศพลอันหมู่พระพิสุเวทล้อมกำลังเสด็จมาแต่ไกลมีกำลังเร็วเหมือนคุดในอากาศนะไม่ใช่นกร ก, นะ ก, นนกระจอะนะยิ่งนกกระเจอะเทศอีกว่า น, นเหมือนพยาครุดเลยแหละมุ่งตรงเข้าไปยังพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเร็วครั้งนั้นพวกชาวเมืองก็มีใจเตียมแปรไปด้วยความเร้าร้อนเพราะภัยก็นะ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 หวังประโยชน์หวังความสุขหวังความเกือ้อกูลแผ่เมตตาไปยังพญาช้างนะขอความเมตตาของเราจงมีแก่พญาช้างนะนันเป็นเมตตาที่มีกำลังมากจากนั้นพญาช้างเชือกนั้นก็มีสันดานคือมีจิตใจที่ถ้าเมตตาที่แผ่เข้าไปทําให้ใจของพญาช้างกลายเป็นใจที่อ่อนโยนสมเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับไฟเนี่ยนะมันจะลุกมาเป็นท่อไฟใหญ่ขนาดไหนก็ทั้งถ้าพุ่งเข้าใส่ทะเลเป็นยังไง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 มันพวกชาวเมืองก็พากันส่งเสียงโห่ร้องสาธุการกึกก้องเหมือนกับเสียงราชสีห์ชาวเมืองเหล่านั้นก็พากันบูชาพราะองค์มีประการต่างๆด้วยดอกไม้ของหอมมาลัยนะจานของหอมทุกชนิดที่เท่าที่จะหาได้พร้อมทั้งเครื่องประดับเสร็จแล้วก็โยนแผ่นผ้าไปโดยรอบเทพเพรีก็บรลือลั่นในท้องนาภากราก็โดนตรีทิพดูเสียงกลองทิพก็บรรเลงดังสนั่น ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแลดูพญาช้างพลายที่กำลังเมาแต่ที่เรียกว่าผ่านการเมามันสงบด้วยเมตตาของพระองค์เนี่ยนะที่มอบจบเสียรกล้าวแทบเบื้องพระบาทเหมือนกับยอดเขาที่อาบสีดำพระองค์ก็ทรงลูปกระพองพญาช้างด้วยฝ่าพระหัตถ์เนี่ยนะรูปหัวเลยอะนะรูปหัวลูปคอเลยแหละช้างอะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อนนะเพื่อความสุขให้แก่พญาช้าง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 ย่อมประสบทุกแสนสาหัสในนรกตลอดกับเพราะว่าฆ่าโดยเฉพาะฆ่าพระพุทธเจ้าเนี่ยวังได้เลยในะนรกยาวแน่งานนี่ดีว่าสามัญญาสำนึกดีชั่วผิดชอบชั่วดีได้ปฏิบัติตามคำธรรมสอนเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยตกนรกแน่นอนอลไรปมาั้นแล้วก็ถ้าหากว่าฆ่าผู้มีศีลผู้มีคุณธรรมฆ่าพระริยเจ้าเป็นต้นเนี่ยนรกเป็นนรกเป็นกลับเลยนะ ผู้เบียดเบียนนะผู้ใดเบียดเบียนคั้นเสวยทุกอันร้ายกาจในนรกข้าหาว่าเขาได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้อีกเจตนาที่เกิดจากการฆ่าอนันเนี่ยนะถ้ามีบุญบางอย่างนํามาเกิดเป็นมนุษย์พอได้เกิดเป็นมนุษย์ก็มีอายุสั้นนะตายเร็วว่างั้นบางคนเพราะอย่างเด็กบางคนเนี่ยก็อยู่ในคันสองวัน3วันก็ตายแล้วนะบางคนก็อาทิตย์2อาทิตย์สเดือนก็ตายแล้ว4เดือน5เดือน6เดือน7เดือนพร้อมที่จะตายมาตลอด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 ทั้งขาไปขากลับมันมีขอทานอยู่ตรงนั้นอนะ่ะมันบิดเบี้ยวเหมือนกับใครจับบิดทิ้งไว้งั้นอ่ะเหมือนมีใครจับบิดจับหนังอะไรบิดไว้สักอย่างหนึง่งมันเป็นอย่างนั้นเลราะนั้นมันกลับข้างกลับด้านไปครับหมดเลยเพราร่างกายเนี่ยมันแล้วไม่ไมไมตายด้วยนะพระโยงั่นแหละขอทานอยู่ปากประตูวัดนั่นแหละทำไมมันมีสารพัดชนิดสัตว์ในโลกเพราะว่านั่นเป็นเศษเสี้ยวมาจากอาภูสสายปานาติบา